พระอาจารย์กนะัวารารเนตามที่แจ้งข่าวไปหลายข้างหลายรอบแล้วว่าเรากำลังเป็นรู้เป็นรังหมายาพวกเราทุกคนช่วยกันเี่คอณย้ใยสบปนผู้เรื่องกิจกรรมก็คือเราเป็นไปได้ นอกแากเหยื่อเย็บเสือผาอื่นๆจะเป็นกิจกรรมเดินขเ้เงืนจีวรผาผาเนี่ยทุกวันเราก็ไปซื้อวัดอื่นอย่ยงผาเนินเย็บผ้าเป็นเยอะแยไปคุยกันในราละเอียนเราพูดมาเป็นส0บปีแล้วกันมีแตคนไปทกวิจารวะารีเป็นพุทธาพาอืต เอแล้วที่เราไปซื้อเขาไม่ใช่พุทธ า, านิชยทุกวันเราก็ไปซื้อแต่เราไปซื้อนั่ไม่เรียกว่าพุทธ า, านิชย์ก็แปร ก, กันอย่างน้อยถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนชุมช น, ชนเขาก็มีรายได้แบ่งปันรายได้กันนะมันอยู่ที่วิธีคิด ไปสต่อกันเรื่องที่สองก็คือเร่งการเรียนการศึกษาวัดเราตั้งเป็นสำนักสำนศึกษาะสำนักเรียนชื่อเพียทางการคือสํานักสานศึกษาชื่อโรงเรียนเรียนป ร, ริยัติธรรมแผน ท, ทำบาลี มีสองแผนกทมบาลีกับสามัญพวกเราในแผนกทมบาลีแล้วก็สองครูไปอบรมวันนี้ก็ไปราย ง, งานเราตั้งเป็นโรงเรียนมาเป็นทางการตั้งปี2526ตั้งมากรว่าลงพูกันลง ม, มือสอนเองสอนคนเดียวหลังจากนั้น เพื่อช่วยกันท้งคำและบาลีนีก็รรวม C สี่บปีแล้ว4หก7เจ็ด C สิบเอดีแล้วที่สำคัญก็คือมหาประเรือนที่ส่งกันไปโดยเพราะวันนี้ที่ไปรับพัดกัน ที่ไปอยู่ที่อื่นเดืนมาจะองหมาคมแสนอื่นๆหลายเรื่องแม้แต่ 5, มหาพันธ์มหาโยชน์ก็รวนได้ปเปลี่ยนยะที่เีนือนั้นะาการศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญมีมีผู้สอบประเด็นทำข้บประโยชน์ได้ประโยช เ, เล็กๆก็สอบสอ บ, สอ บ, สอบอยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า ก็ถือว่าประโยชน์สูงส่วนกลางที่สอบได้ที่สุดก็คือวัดโมดีโรคัทิารามวัดมาเดกวางเล็กนิดเดียวแคบๆแต่ก็สามารถผลิตนักเรียนได้หลายร้อยเป็นส่วนกลางเรียนใหญ่รเรียนทำโคองการประโยชน์สอบได้สองร้อยกว่ารูปทั่วประเทศตรงสอบสี่ร้อย สอบได้สองร้อยที่เยอะแล้วก็เฉพาะวันโลกวันเลนได้ยี่สิบห้าลูกที่สำคัญเป็นสามาแนนสิบสี่ลูกปีนี้มาจจะจันหนักก็อีกก็คือมีสามาแนนที่สอบประริญยนธรรมรก้ารพโยในขณะที่อายุสิบเจ็ดปี ไม่มีในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์อายุน้อยสุดก็คืออายุสิบแปดปีแต่ก็สมัยนู้นสมัยรอ4สี่รอ5ห้าแต่ายุนี้ไม่มีนั่นก็แปลว่าเรียนตั้งแต่สิบขวบสอบได้ทุกปีนนตกรเรียนทมนะเขาเที่าเท่าป ร, ริญ ย, ยางต่อผลิตญาโท่ได้เลย วัยสิบเจ็ดปีนี่เป็นแนนหนึ่งก็คือคแนนน้อยได้ปฏิโมกอายุน้อยอายุสิบขวบได้ปฏิโมกเป็นอายุอายุแนนของเราเนอายุไม่ขึ้นมารู้จะอายุยังไงบอกแค่แค่ได้ปฏิโมยหรืว่าให้เงินหนึ่ง แลกๆก็ดีกับมันยกนพนะกปิ๊หุยกะนะกปิ๊กยู่ตอนนี้หายไปแล้วพยายามกระตุนเพราะเด็กๆว่ายัางสมองอยังดีอยู่ก็แจ้งให้พวกเราทราบตัวตเราพ่อของกาวิ่งไปเพ่มาเดือนนี้ไปต่างจังหวัดสองสามรอบทั้งเดือนวานนี้ เดือนหน้าก็ไปหายไปครึ่งเดือนเดือนต่อไปหา ย, ป เ, เ, ย, หายปเป็นเดือนหนึ่งมินาหายเป็นเดือนแล้วนั้นพวกเราอยู่ก็ช่วยกันวางแผนช่วยกันทา ง, งานเขาบอยังแก่ยิ่งเงไปตามจังหวัดนี่ไม่ธรรมดา ประเด็นในสัมปันธ์สั บ, สบเดี๋ยวมันนี่เดียวจัดเสร็จก็มีธุระมีต้องทำภายหลังก็พวกเราทุกคนถือว่าเป็นกำลังเป็นกำลังหลักเหมือนกีฬาเหมือนบุบบอลมีกองหลังกองกลางกองหน้าแข่งกันเฉลี่วยกาคือเล่นกันเป็นทีม ไปทํางานคนเดียวคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นการเพื่อเสื่อใรู้ว่าทุกอย่างต้องทํางานเป็นทีมการเรียนการสอนาการศึกษาก็เช่นเดียวกันก็มีกองหลังกองกลางกองหน้ากองหลังคือพวกเราคนที่คอยอุปถากอุปรรมถือเป็นกองหลังผู้สนับสนุนนั่นแหละผู้ง่าย ถ้าไม่มีกองหลังกองหน้าก็ไม่ได้พุดบุกองกลางก็ไม่ได้พุทบอตส่วนผู้รักษาประตูเจ้าวาดคือผิดพลาดกับยกให้เจ้าวาดยิงเข้าประตูเจาวาดพลาดกเจวาวานคนที่สั่งกัเจ้าวาด น, นักนอุปธรรมครับชูรับสนสนมันก็คือ เขาเรียกว่าคือกองหลังส่วนที่ตั้งความหวังของเราคนที่มี ค, ค, ความหวังก็คือกลองหน้าเขาไปยิงประตูคือกลองหน้าส่วนคนที่เจ็บใจก็คือกลองกลางหมดพุ่มปอนน์เลแหละหมนพวกเราประนั้น คนที่มีหน้าที่ทํากองหลังคือสนับสนุนก็อยู่ข้างหลังคนที่มีความหวังก็อยู่ข้างหน้าเพื่อตั้งใจเรียนเรียนเรียนคนกองกลางก็คอยช่วยใสนับสนุนประสานทุกอย่างเนี่ยเหมือนสนรุปก็ทําการต้องทำงานเป็ น, นทีมทุกอย่างเหมือนกันการทํางานภายในวัดก็เช่นเดียกันเพราต้องการเป็นทีมหรือว่าการสื่อสารการประสานมันจะเป็นเรื่องสําคัญ นี่เป็นเดือนจริงๆวันนี้ไม่อยากพูดเยอะวันนี้วันนี้เป็ น, นวนนนันอะไรวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้วันอะไรนะวันของพระของโยกด้วยอเขาจะบอกเป็นวันพระเรื่องของพระใช่ไหม ฝรั cái này. ่งเขาบอกวันโกหกพูดไปคล้ายๆไม่เชื่อเนี่ยวันนี้เป็นวันโกหกอันนี้ฝรั่งกันนะฝรั่งกันเอฟิลฟูดในศานังโง่ก็แปลว่าในศานังโง่เป็นวันโกหกเพอาเดิมทีฝรั่งเขา วันที่หน่งเมษาคือวันปีใหม่เขาฝรั่งเป็นปีใหม่เขาฝรั่งเหมือนกับคล้ายๆบ้านเราปีใหม่เมืองก็คือเมษาเมษาแต่ว่ากลางเดือนแต่ฝรั่งมื่อยุกมือยุ ก, ก่อนโน้นตอนหลังปบทำน่าเป็นเป็นหนังมกรลาก็กลายเป็นหนงมกรลาส่วนเดือนที่เป็นเดือนพูดความจริงก็เดือนกรกฎาคม เดชเขาภาษาเรานะ่อันนี้เป็นเรื่องของฝลัง่งนะไม่ใช่เรื่องขอ ง, รงเราวันพูดความจริงเขาไว้แต่วันนี้วันวันที่หนึ่งเมษางเป็นวันโกหกไม่รู้พูดพูดไปไหนเจอกันหรือเปล่านะั่นเป็นเรื่องของฝ ร, งงรั่งเขาพนกักวันนี้ก็มีกิจระอะไรต้องทำอีกเยอะแย ะ, ยะก็พวกเราช่วยกันทําหน้าที่ คำว่าทำหน้าที่คือหลวงพ่อพูดสมอทุกครั้งการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมของพวกเราธรรมชาติของคนเขเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ู่แล้วอันนี้ไม่ได้ว่ากันในทุกเรื่องว่าจะพูดสื่อสารบรรยายแล้วก็แม้แต่วิธีคิดวิธีพูดวิธรทำก็คือเอาตัวเองเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์กลางพูดอย่างนี้น มันนั้นพระพุทธเจ้าก็เอานนี้แหละในเมื่อเอามนุษย์มันเอาทุอกอย่างไปแกงกลางก็เอาแกนกลางนะี้มาสอนด้วยเองเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีอยู่พระพุทธเจ้าใจของที่เรามีอยู่พูดถึงของที่มีอยู่ไม่ได้พูดถึงของที่ไม่มีดูือมันมีแล้วมันจบไปแล้วเ่็งของที่มีอยู่เราอย่างตาเรามีอยู่ หอมีอยู่ปากมีอยู่ชมูกมีอยู่เอาแค่ที่เป็นรูปธรรมก็คือที่มัามีอยู่ก็แปลว่าเราต้องเข้าใจหน้าที่ของขหน้าที่ตาหน้าที่เขาก็เห็นรูปแค่นั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยโู้ก็มีเหมือนจานเลยดามวันนี้ที่รับ แล้วก็ฟังส่วนฟังดีไม่ดีเปนเรื่องปากเขาก็มีอยที่พูดไปตัวสำคัญเน่ยถ้าไม่มีธรรมะเป็นตัวกลางคือไม่มีคนกลางมันจะลําบากนะเพราะธรรมะจะเป็นของกลางแต่เป็นคนก็ไม่เป็นคนกลา ง, ต, นนลางต้องไปเข้าข้างใครต้องเป็นไปตามธรรมชาติไปตามอัตโนมัติ เพราะนั้นเวลามีอะไรเลยไปตัต่างมานเลเพราะฉะนั้นบูชาต้องบอกระวังระวังคือสังรวมนั่นแหละระวังตาของตัวเองระวังหัของตัวเองระวังปากโดยฟัออยงคือปากสำคัญมากอันนี้แค่ปจัจจัยภาย น, นอกนะยังไม่เข้าถึงข้างในแค่ดันข้างนอกเอยังไม่ถึงดันข้างในคือจิตใจ ต, ตัวสําคัญคือจิตใจ เพราะเราระวังสองเรื่องระวังเรื่องกายกราเรื่องใจทีนี้ทําไมงบอกว่าเอาแค่ข้างนอกก่อนให้ทําไมถึงให้พิจารณาต า, าตาเขาทําหน้าที่ของเขาเพราะนั้นทุกคนก็ทําหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่ที่รับมอบหมายหน้าที่คือบทบาทอานาจหน้าที่แต่และคนไม่เหมือนกันเช่นคนเป็นลูกก็ทำหน้าที่เป็นลูก คนเป็พ่อแม่เราเป็นพ่อแม่เป็นครูาอาจารย์ก็ทาําหน้าที่ครูอาจารย์ลูกศิษย์ก็ทำหนา้าที่นีนคือเรื่างของนาทีมันยิ่งใหญ่นะแต่ถ้าคนลูกศิษย์ไม่ทําหน้าที่ลูกศิษย์อาจารย์ไม่ทาหน้าที่อาจารย์พ่อแม่ไม่ทำหน้าที่พ่อแม่ปล่อย ป, ปแยนแล้วเลยนั่นก็แปลว่าตาก็มีตาครับมันไม่ทาําหน้าที่มันโหก็สั่งเตือนว่าโหป้ากก็สั่งเตือนว่าป้เพร่อไม่ทําหน้าที่ของตัวเองอันนี้คือมันสอนเราว่าอง ถ้าเราทําหน้าที่ที่เรามีอยู่เนียให้มันดีที่สุดหน้าที่ของนี้อย่าไปทะเลาะอย่าไปแกวกกายหน้าที่ของกันและกันพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดแล้วพวกเราขรวาดยอย่ารจอยูหน้าที่อุปถัมภ์อุปรรมดูแลเอาใใส่ในภาพรวมหน้าที่ ส่วนพระสงค์องคแหนกันทําหน้าที่อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอยู่ในช่องรอยที่กว่อาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้าลงมาเป็นตน้นท่านวางกรอบระเบียบเป็นแนวปฏิบัติให้อยู่แล้วบอถึงปฏิบัติวัดเราก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมวัดหนึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเป็นทางการไม่ก็แปลว่าสมมุติว่า ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะลาคกิจมาปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะเอาไปรับรองมาเป็นทางการรับรองเป็นทางการจังวัดที่ตัไปทำไม่ได้อันนั้นเป็นทางการหรือวัดเรามีดีหลายอย่างมีดีหลายเรื่องที่ พวกเราจะต้องน่าภูมิใจข่าวดีลละสุดก็คือมันเป็นเรื่องที่มาเออนาไม่บางเออนางสาวไม่มรมู้ ว, วันพระที่แล้วพวกเราจำได้ที่ไม่อยู่ก็ไปนัง่งอธิษฐานจิดคุณแม่บุญเรือนตรงบนเติมพวกเราคขรู้จักกันดีน เป็นอุบาสิกาที่มีชื่อเสียงไม่กี่คนในประเทศไทยนอกจากแม่ชีแก้วเสียงลำแม่ชเรื่องเดือดเที่เป็นยอมรับกันเป็นทางการค่าที่แล้วจิตตะก็ไปนั่งไปทานจิตเมื่อวานไปต่างจังหวัดก็ปน่าจะเป็นข้าวดี มีคุณนิทวายรูปเหมือนคุณแม่บุญเดิมมาตั้งไว้วัดเราอันี้ก็มาไว้ได้ว่าพรเป็นเป็นตัวอย่างก็หมายคือว่าเราคงไม่ได้เน้นให้พระสงฆ์โอเ น, นตกราบไหว้เรากำลังจะสื่อสารให้รู้ว่าพวกเราครวะญาติโยมเป็นผู้หญิงก็สามารถกระบรรุททำได้ให้กำลังใจ ถ้าท่านอยู่กว่าร้อยกว่าปีแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นเรื่องโลกเนาะเรื่องโลกของหมายา็ว่าไปไปอยู่ที่ไหนก็ไปช่วยที่นั่นคุณแม่ไปช่วยที่นั่นบานทีก็ไปข้าวขันเขาไปช่วยตั้งหลายเรื่องนี้นะคุณแม่เขาหยุบหยักมาอยู่เชีงยงใหม่แล้วบ้างตามประวัติเขาบอกว่าคุณแม่เคยเป็นเจ้าหญิงทางเชีงยงใหม่ตามประวัติ เคยเป็นเจ้าหญิงสมัยหลายร้อยปีแล้วแหละไม่ใช่นีก็ไม่แน่นะวัดเราภูค์ยาพระขาวกนะ็ไม่แน่อันนี้เล่าให้ฟังก็มันมันมันไม่ใช่เพิ่งเกิแต่เขากําลังเดินการอยู่ตอนนี้ที่แรกเขาจะหลอองค์เดีย ว, วก็เลยมาถามลราก็จะเอาไห ม, มว่าโอ้ก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ย เพิ่งไปนั่งอาจารย์เจตมาเลยทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกันมันคงไว้เป็นอย่างนี้นั้นต่อไปวัาเราก็คงดีอะไรแปลกๆใหม่ๆเป็นกำกเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนคุณแม่ก็มานังอาเป็นกำลังใจว่าเออวัดศิกาก็สมารถธ่บรรลุดได้หลายคนหลายท่าน ที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างก็เป็นกําลังใจพวกเรานั่แหละตัวอย่างที่ยังหาคนต้นแบบเป็นตัวอย่างมาให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจเช่นกันปฏิบัติอันนี้คือเรื่องเ่าให้ฟังก็เล็กน้อยว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราเช่นเดียวกันในั้นเดียวกันอย่าะลืมคําว่าหน้าที่ตอนเดียวคน ถ้าแครนึกไปออกกัน น, นึกถึงตัวเองนึกตาหูจมูกปากเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่ทุกวันอย่างสุจริตส่วนที่ควรจ้ตัดสินใจว่าดีไม่ดีเห็นตาเห็นรูปคนดีไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับตาปากพูดแล้วดีไม่ดีเป็นเกี่ยวกับปากหูฟังแล้วมันดีไม่ดีไม่เกี่ยวกับหูเกี่ยวกับใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกใจเนี่ยมันมีตามีหูแบบว่าวไม่มีเหมือนมีอะไรเลย สำคัญนะกใจคือตัวคือหัวหน้าตัวบังคับบัญชาเป็นแม่ทัพนายกองตัวสั่งการคือสั่งดีก็ได้สั่งไม่ดีก็ได้การทางหัวหน้าไม่ดีเกิดอะไรขึ้นคือใจไม่ดีแม่ทัพนายกองไม่ดีเกิดอะไรขึ้นก็คือผู้นําไม่ดีก็นําในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าผู้นําที่ดีหมายพราะถ้าใจเราดีเนี่ยมันก็นำานทางที่ดี ไปสวยตามที่ดีและที่สำคัญมันไม่ได้นำครังนี้ครั้งเดียวไม่คิดออกจากทางแล้วมันจะเป็นผู้นําที่ดีให้กับเราด้วยในอนาคตข้างหน้านั่นเป็นหัวอนาคตกำลังก็เอาปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่จะได้ก็กําลังใจอีกครั้งนึงให้พวกเราทุกคนโดยเพาะยิ่งอย่าลืมเดือนหน้ามันเดือนนี้กลางเดือนวันพระกลางกางเดือนวันพระหน้าอาจจะ อืรับกิจมิลไม่ดูวันที่แปดมีสองงานไป้างหน้าแถวที่สิบหกยังไงก็พวกเราก็ต้องมารวมตัวกันกคันก็เอาไปทาสัมพันธ์ให้พวกเราได้สราบทุกคนก็ขออนวโมนาความดีที่พวกเราทำทุกคนในช่วงปีใหม่นี้ปีใหม่เมืองก็เป็นกําลังใจให้พวกเราในกันทำความดี อายุอาวุโของพวกเราทุกคนแล้วลุงขุศูกรชิมมาวัยกันแล้วเป็นวัยเบสุดท้ายทำงานพุทธเจ้าของพวกเราวัยสุดท้ายอาของพระองค์แต่วัยสุดท้ายขอ ง, องพุทเจ้าเราทํางานทุกวันไม่เคยคิดที่จะพักแม้เลยหกสิบไปแล้ววัยแปดสิบก็ยังทํางานเดินเดินเดินเดิ น, ดนจนวาระสุดท้ายจนวันสุดท้าย จนเดินไม่ได้ทั้งนอนมรรคภักดคือยุคสุดท้ายในขณะเดียวกันวันสุดท้ายก่อนที่พระนิพพานก็จะทำหน้าที่อุปชาคือบวชสุภะทะเป็นคนสุดท้ายที่พระเจ้าสรงบวชให้สุภะทะเนี่ยเป็นคนแก่เป็นคนที่แก่แล้ว เขาม่อยากบสถ์เขากันว่าผท้เจ้าจะพระพิพากแล้วพูดง่ายคือจะไปรบกวนท่านเลยเสียงกิจจ้าโวยวายข้างนอกท่านเลยถามขานนวอนเรื่องอะไรอ๋อมีผู้ชายคนหนึ่งจะขอเข้มาบรรพชาสมบัติว่าให้เธอเข้ามาอนี่คือความเมตตาของพุู้เจ้าตึงแม้เรี่ยแรงไม่มีแล้วเหลือนิดเดียวหรือแต่ลมหายใจเข้าหายใจออก ส่วนกำลังของการนี่เพราะก่อนหน้านั้นคืออ า, าพาถ่ายคนลองคิดดูวัวยแปดสิบถ่ายแล้วถ่ายอยีกถ่ายจนไม่เดืออะไรจนไม่มีกําลังก็ยังเห็นหน้าตาออันนี้คือตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราพราะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งตัวคนที่เป็นคนน่ารักเป็นที่น่าเคารพ พวกเราก็เช่นเดียวกันมีอะไรกอในึกถึงพระเจ้านึกจริงๆว่าเป็นผู้คนที่มีคุณอุปการต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่เทวดาอย่างเดียวและมนุษย์ทั้งหลายทุกพบไม่ใช่พบเราอย่างเดียวเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเอากรณีนี้เป็นตัวอย่างก็เช่นเดียวกันถ้าตัวเราเราเป็นได้พึ่งของคน อ, อื่นเขาได้ เป็นบางเรื่องนิดๆหน่อยๆก็ยังดีบนพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นที่พึ่งของพวกเราท่านก็ไม่มีอะไรให้เรามากมายแต่ว่าท่านเป็นที่พึ่งทางใจให้กับพวกเราได้นั้นพวกเราก็สามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้เป็นบางเรื่องเป็นบางไรเท่าที่เรามีกํำลังมีโอกาสมีความสามารถมีเวลาอย่าเป็นลังเลถ้าเป็นเรื่องที่ดี ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็จะไปลังเลเช่นเดียวกันก็รีบตัดรีลบละรีบต่อยปล่อยวางตัทีเรือ่ อ, องที่ดีแม้ในนี้แ ม, ม้เป็นความคิดก็สานต่อคํำพูดการกระทําำในคําวันดีๆแล้วมันก็จะมีสิ่งที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตของเราก็ข้อนมุตนาความดีที่เราทุกคนที่พยยัง ขวัตฟังคำจะมาสินมาตลอดเวลาพต่อไปขวัจจา์รุนหลงรุนหลังต่อไปก็ต้องทําหน้าที่ความตัวเองให้ดีที่สุดเป็นผู้นําเป็นผู้แนะเป็นผู้ตามสืบทอดเจตนารมณ์ต่างคนต่อไปก็คีใครอยู่คฟ้าคำคนต่างไปเหมือนเรี่ยงรายกันเต็มต่น่หลายรอยดูนักขวอาจารนถ้าคนก็ไปไปหมด มันก็เป็นพุท ธ, ธานสุสติในการระลึกถึงคุณพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระญาทรงทุกวันที่เราสดวดมนต์ก็เพื่อสิ่งสิ่งนี้เพื่อให้จิตของเราเป็นจิตที่ดีให้อยู่กับสิ่งที่มันดีๆแล้วก็เก็บกองในเดียวไว้ที่เราทําทุกอย่างทุกวันนีพยายามระลึกเรียกว่า อ, อ, อ, อนุสติการนึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงภาวนา อยู่เสมอดีกว่าระนึกกิดที่ของไม่ดีถ้าคิดแล้วทำให้ยังเองคนข้อหมองมังวแต่เรามันก็เศร้าหมองจะีด้ถ้าคิดครั้งเดียวสองครั้งไม่เป็นไรถ้าไปคิดซ้ําเรื่องเดิมๆ เ, เรื่องเก่าๆอันนี้เราเหลือลกซึมเศร้าแล้วซึมเศร้าเกิดเพราะนั้นเป็นเยอ ะ, ยอะมาก เป็นล้วมาแก้ไม่ได้คือแค่เขาคิดตัวเองไม่ได้มาให้เขาคิดไม่ได้ก็คิดซ้ำคิดซ้ำรวมเดิมบางทีก็ตำหนิตัวเองตำหนิคนอื่นเป็นโทษชะตากรรมอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันจบไปแล้วก็คิดเดิมเดิมคิดทุกวันไปด้วยจิตใต้สติมันก็จําสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้แล้วตัวเองไม่มีค่าไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยงบางคนบางคนมปนโรคภัยไข้เจ็บเพราะอะไรเรามีเวรมีกรรม คิดว่าเป็นเบริกรรมมันไม่ใช่เบริกรรมเรารักษาได้เท่าที่รักษาถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะดีขึ้นทุกวันชีวิตเราก็จะดีขึ้นทุกวันกองตระหนากกอดีเราทุกคนอ่าวันนี้ก็คงขอเท่านี้